อืเมื่อกี้ชี้ไม่ทันนะคชี้ไม่ทันวันนี้มันผ่นานไปแล้วแต่ก็คือให้ตั้งเป็นข้อสังเกตนะว่าจริงๆอ่ะมีแค่สิงเกิดดับมันก็เกิดในปัจจุบันนั่นแหละแล้วก็ดับดับดับดั บ, ด บ, ดบนะไม่มีตัวตน <c oughs> ตรงนี้ต้องให้ความสําคัญเลยคือมันเป็นไฮไลท์เป็นทางสู่ความนทุกข์เลยว่ามีแต่สิ่งเกิดสิงดับเท่านั้น <c oughs> แล้วก็นอกนั้นก็อาจจะเรียกว่าเป็นสมมติเนาะสมมติก็คืออยู่กันแบบสมมติ ให้มันตรงกันกติกาต่างๆที่เขาวางไว้ก็ให้ให้ปฏิบัติตามนั้นต้องเข้าใจว่าการปฏิบัติตามกติกาก็ดีเนี่ยอันนั้นเนี่ยมันก็คือเป็นแค่สิ่งเกิดดับที่ต้องทําอย่างนั้นมันนั้นไม่ใช่เราเป็นผู้เป็นผู้ปฏิบัติเมื่อกี้มีประโยคหนึ่งที่ที่พอดีเอาไม่ทันก็คือตรงที่บอกว่าผมเข้าใจไหมครับผมแิ่เหมือนว่าผมเข้าใจถูกหรือผิดอะไรเงี้ย น, นะบันชิไม่ทันมันผ่านไปแล้วแต่ยังย้อนหลังได้เพราะว่าเข้าใจถูก อ่าเข้าใจถูกเอออะไร น, นะเออถ้าใจแบบนี้ถูกหรือเปล่าครับะอะไรเรืองตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเป็นไฮไลท์มากเลยตรงเนี้ยถ้ารู้ไม่ทันเนี่ยมันจะมีตัวเราแล้วเริ่ม<ช>จะมีตัวเราแล้วว่าไอ้ที่ทําแบบเนี้ยเราเข้าใจถูกไห ม, เ ร, เ, ไมเราเข้าใจผิดไหมโอเคความรู้สึกถูกผิด่มันอาจจะมีอยู่นะเพราะมันเป็นเรื่องสมมติเป็นเรื่องที่ที่ปรุงแต่งขึ้นมา<ช>แต่ต้องหมายความว่าไม่มีผู้ใดไปยึดความผิดความถูกกันนั้นแต่ ถ้าเข้าใจผิดก็คือเข้าใจผิดถ้าเข้าใจถูกก็คือเข้าใจถูกแต่ไม่มีเราเป็นผู้ไปยึดความถูกและก็ความผิดให้มันเป็นแค่ผิดกับถูกแค่นั้นแหละแล้วก็ตัวผู้รองรับไม่มีอย่างนี้ถือว่าจบเหมือนกันพอเมื่อกี้เนี่ยหลวงพ่อเห็นชัดเจนเลยว่าเอาเข้าเอาตัวเราไปรองรับเรียบร้อยแต่เอาไม่ได้โยม่านเาข้าใจเนาะตรงนี้เพื่อต่อยอดไปเรื่อยๆว่าจนกระทั่งว่าอ๋อเออนี่ประเด็นนี้เมื่อกี้นี่มันก็ มันจะมีให้ตัวเราเป็นผู้รับว่ามันติดหรือมันถูกหลวงพ่อเขชี้ให้แล้วว่าจริงๆมันไม่มีใครเป็นุไปผู้รองรับหรอกยกเว้นตอนที่มันหลงไปเท่านั้นแหละครับอาจารย์ขอบคุณครับอย่างที่ตอนแรกหญงนุ้ยบอกว่าเนี่ยค่ะไม่ว่าถูกหรือผิดมันไม่ได้เป็นฝั่งไหนหรอกค่ะมันไม่ได้เป็นของคู่แบบนี้หรอกอย่างที่หลวงพ่อบอกก็อย่างนี้ค่ะเสริมกันว่าเราก็มองมันแบบนั้นแหละแต่ว่าให้กลับมารู้สึกตัวเราเนี่ยค่ะเราก็เห็นมันเก้เก้อแบบมันให้มันถูกเก้เก้อผิดเก้เก้อแบบนั้นไปค่ะ เราเป็นแค่ผู้ดูเหมือนมันก่อนที่ยกตัวอย่างว่าเหมือนมอีผู้เล่นไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามค่ะเหมือนมีเราเป็นผู้เล่นอย่างสนามฟุตบอลเนี่ยมันมีสองฝั่งขาวแดงกับแดงกับเขียวแล้วกันคะเราเป็นผู้เล่นลงไปนั่นคือเราลงไปละในสนามแต่ให้เราออกมาจากผู้เล่นเขียวแดงมายืนมาเป็นสีขาวตรงอัจฉรย์ซะเราก็มองดูแล้วเมื่อมองดูตรงนี้พัฒนาขึ้นไปอีกให้เห็นถึง คนที่ยืนบนอัจฉรย์สีขาวออกไปอีกก็จะเห็นทั้งสามสีเลยสีขาวสีเขียวสีแดงแต่มันก็ทําอะไรไม่ได้แค่นั้นเองค่ะแต่แต่สภาวะที่อาจารย์ชี้เนี่ยก็ถูกต้องเลยครับเพราะผมอะเป็นเป็นบ่อยครับที่อาจารย์บอกนะครับยิ่งฟังเยอะอะไรเงี้ยครับมันก็ออกมาจินตนาการแล้วก็กห็หลุดไม่ได้อย่างที่เขกาก่อนที่มาคุยครับ ที่ผมผมฟังอาจารย์อธิบายเสีอธิบายเรื่องการเกลียนดับครัโอ้มันเอามาเป็นความเข้าใจเป็นสองวันนะครับแล้วพออาจารย์ชีดว่าอ๋อมันเข้าใจมันแค่หลุดออกมามันก็แบบว่าโอ้สุดท้ายมันก็แบบว่าเบาเบาสบายอาจารย์นะแต่ผมก็รู้ๆหลงๆนี่อยู่ก็ก็ยังมีนะครับก็รู้ๆหลงๆมันก็เป็นความเกิดดับเนาะ รู้บ้างหลงบ้างนี่เป็นความเกิดดับนะเป็นเป็นเป็นสภาพธรรมะที่ที่มันมีอยู่มันปรากฏอยู่นะเพราะเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่รู้แบบรู้ถาวรไม่มีอะไรที่ ท, ที่หลงถาวรมันก็แสดงให้เห็นอยู่แล้วว่ารู้บ้างหลงบ้างแต่สิ่งที่เอ่อเหมือนกับว่าเป็นสติปัญญาเนาะไม่เอาตัวเราไปลองรับว่าเราเป็นผู้หลงเราเป็นผู้รู้มันจึงคงมีแต่รู้รู้หลงหลงแต่ไม่ใช่เรา เออยอมยอมยมยมิงเนาะยงก็ค่อยๆสังเกตค่อยๆพิจารณาไปนะเวลาหลวงพ่อกําลังชี้แนะบอกทำกับกับโยอมคนอื่นเนี่ยเพราะตรงเนี้ยถ้าเราใจจดใจจ่อจากการฟังเนี่ยมันจะเก็ตได้อย่างง่ายๆมากเลยเพราะมันกับเป็นการบอกทางเนาะบอกทางคนอื่นแต่เราสามารถน้อมเข้ามาใส่ตัวได้ว่าอ๋อการที่บอกทางคนอื่นเนี่ยมันก็เป็นทางที่จะให้ตัวเองเนี่ยออกจากทุกข์ได้เหมือนกัน นะรวมถึงคนอื่นด้วยเนาะเวลาหลวงพ่อสนทนากับใครนะถ้าเกิดฟังแบบอฟังด้วยจิตที่มีสติสมาธิเนี่ยมันจะเกิดปัญญาเข้าใจได้ไม่ยากเลยแท้จริงแล้วหากคนเราเนี่คะเข้าถึงความเป็นหนึ่งอนันเดียวกันเนี่ยจิตใจจะหมดจากการแบ่งแยกเรื่องตัวตนค่ะว่าอันนี้เราเนี่ยเขาปัญหาชีวิตแล้วก็ปัญหาโลกก็จะลดตามไปด้วยนั้นการเข้าถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยจะช่วยอุดรดูด้ว่ทางจิตใจนะทุกประการเลย ไม่ว่าจะสะสมผ่านมากี่พบชาติก็ตามนั้นการตื่นรู้ในความเป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยจะช่วยทำให้เรากลับคืนสู่ต้นกาเนิดได้ในแบบพิบตาเดียวเลยพอกระจ่างตรงนี้กระจ่างชาติในความจริงแล้วเนี่ยก็จะหมดทุกไปทุกที่เกิดจากการแบ่งแยกก็ดับสิ้นลงไปเหลือแต่ข้อความจริงที่อยู่โดยเนื้อแท้แค่นั้นเองกล่าวนาัสการอีกครั้งค่ะหลวงพ่อทุกทั้งหมดทั้งปวงที่ ที่ที่ที่โยมได้พิจารณามาแล้วก็รับฟังในช่วงที่ไม่หลงอ่ะค่ะก็ยังคงยืนยันว่าทุกนี่สัอเกิดใช่ไหมคะตัวเกิดตัวอื่นใดที่มันมาแทรกอารมณ์เราไม่ว่าจะรักโลกโกรธหลงเฉยเฉยใดๆก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นล้วนสังขารที่กลุงมาแต่ทุกที่แท้คือทุกแห่งการเกิดใช่ไหมคะหลวงพ่ออ่ามันอย่างนี้คือถ้าพูดถึงเรื่องทุกทางใจเนี่ยมันเกิดจากการไปยึดนะไปยึดถือมาเป็นตัวเป็นตน แต่ถ้าเพียงลำพังแต่สภาวะธรรมที่มันเกิดนะมันเกิดเองดับเองเนี่ยมันก็เป็นทุกข์ทุกสภาวะเขาเรียกว่าในตัวของมันเองนั่นแหละไอ้สิ่งที่เกิดนั่นแหละนั่นมันเป็นตัวทุกข์แต่ทีนี้ถ้าตัวทุกข์ที่มันเป็นตามธรรมชาติไม่มีใครยึดเนี่ยมันก็ไม่ไม่ทําให้เดือดร้อนอะไรกับใครหมายถึงว่าใจก็ไม่ได้ทุกข์อะไรก็ไม่ทุกข์หลวงพ่อยกตัวอย่างนะเช่นสมมติว่าดวงอาทิตย์เนาะที่มันขึ้นเขาเรียกว่าภาษาสมมติเี่ยเขาเรียกว่ามันขึ้นในตอนเช้าแล้วมันก็ตกในตอนเย็น แล้วมันก็วนอย่างนี้ทั้งปีทั้งชาติทั้งเป็นไม่รู้นานเท่าไหร่แล้วแต่ไม่มีคนไปสนใจคือได้แต่เห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นแต่ไม่มีใครไปยึดถือกับความเกิดของดวงอาทิตย์ที่มันเกิดวนๆเวียนๆอย่างนี้เนาะก็เลยไม่เป็นทุก์ทางใจแต่ถ้าลองไปสมมุติลองพ่อบอกว่าเนี่ยถ้าลองมีใครสักคนหนึ่งเนาะไปลําคาญไปหุดหงิดกับเรื่องดวงอาทิตย์เนี่ยบอกว่าทําไมมันต้องขึ้นอย่างนั้นทําไมมันเป็นอย่างนั้นทําไมมันไม่ขึ้นตอนนั้นทําไมมันไม่อย่างนั้นเนี้ แล้วก็ไปวุ่นวายกับมันอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าจะทําให้เป็นทุกข์กับผู้ไปวุ่นวายได้เพราะฉนั้นทุกข์ใดๆก็ตามที่มันอยู่ในตัวเราเนี่ยเช่นถึงว่าความเจ็บความปวดความเมื่อยหรือร้อนเย็นเย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรก็แล้วแต่เนาะที่มันปรากฏเนาะถ้าไม่ไปยึดมันเนี่ยมันก็จะไม่เป็นทุกข์ทางใจแต่ถ้าลองยึดเมื่อไหรส่สิไอ้ผู้ยึดนั่นแหละก็จะเป็นทุกข์เสียเองเพราะฉะนั้นคํำตอบของหลวงพ่อก็คือว่า ไอ้ทุกข์ที่มันเกิดขึ้นก็ให้มันเป็นของมันอย่างนั้นแหละอย่าไปยึดถืออย่าไปเอาอะไรกับมันอย่างนี้ก็คือไม่ทุกข์แต่ถ้ายึดเมื่อไหร่ตึบทุกเลยสาธุค่ะหลวงพ่องั้นแสดงว่าเราทราบแล้วว่าต้นเหตุแห่งทุกข์คือการเกิดแต่ถ้าเราไม่ยึดว่าเกิดขึ้นมาแล้วจะทุกข์หรือไม่ทุกข์ก็มันเกิดขึ้นมาแล้วให้มันเป็นไปตามธรรมชาติไม่ว่าอารมณ์ใดจะเกิดก็เหมือนพระอาทิตย์ตกแล้วพระอาทิตย์ขึ้น เราก็จะสบายใจแล้วก็ใช้ชีวิตสอดคล้องไปกับธรรมชาติใช่หรือไม่เจ้าคะอ่าจะได้ถูกอีกนึงก็กว่าการมีอยู่ของทุกนะคะเป็นการสะท้อนถึงการมีอยู่ของความพ้นทุกข์เช่นกันนะการมีของสมมุติเนี่ยก็เป็นการสะท้อนถึงการมีอยู่ของวิมุติเช่นกันนะคะในยะก็มีเพียงแค่นี้เองใน้าการเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมันจําเป็นต้องอาศัยความเปลี่ยนแปลงเพื่อสะท้อนถึงการมีอยู่ของอีกภาคหนึง่ง ที่เป็นสิ่งเหนือเกิดเหนือตายนั่นก็คือสิ่งที่หลายๆท่านเรียกว่านิพานหรือว่าเอการเอกลับมาสู่จิตเดิมแท้จิตปะพักสอนอะไรก็ตามเพราะว่าชีวิตก็คือความเปลี่ยนแปลงในขณะเดียวกันชีวิตก็คือนิพานนี่แหละค่ะนั้นในยะกก็มีแค่นี้จบที่ใจจบที่ปัจจุบันขอบคุณค่ะคุณหน่ย่ยกระจางแจ้งค่ะอ่าทีนี้ขอเพิ่มเติมโยมอิงนะทีนี้เราลองมองกันอย่างนี้ว่า ไอ้ที่เรียกว่าตัวเราเนาะเนี่ยตัวเราก็คือตัวที่กําลังนั่งคุยสนทนากับตอนเนี้ยเดี๋ยวเนี้ยอันเนี้ยถ้าไม่มีใครไปยึดถือไม่มีใครไปยึดถือว่าตัวเนี้ยเป็นเป็นของเราอ่าแต่ให้มันให้มันแก่มันเจ็บมันอะไรก็เป็นตามธรรมชาตินะไม่มีใครยึดอย่างที่เรายกตัวอย่างประกอบแล้วเนี่ยอย่างเนี้ยก็จะไม่มีผู้ทุกข์เลย ท, ทั้งทั้งที่ร่างกายจิตใจมันจะมีความแปรปรวนอยู่ตลอดเวลาแต่เนื่องจากว่าไม่มีผู้ยึดก็เลยไม่มีผู้ทุก เพราะนั้นเหตุนี้เองที่หลวงพ่อจึงเน้นบอกว่าให้รู้ตัวเราเอาให้รู้ตัวเราทั้งตัวนี่แหละทั้งตัวเนี่ยก็มันให้เห็นว่ามันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติที่แท้จริงเลยนะเป็นธรรมชาติที่แท้จริงแล้วมันมีลักษณะที่มันมีความแปรปรวนอยู่เช่นนี้เองแปรปรวนเหมือนกับดวงอาทิตย์ขึ้นดงอาทิตย์ตกนี่แหละเพียงแต่เข้าใจเข้าใจแจ่มแจ้งว่าอ๋อมันเป็นธรรมชาติมันเป็นเช่นนั้นเองเพียงเข้าใจแค่นี้ยก็จะทําให้ใจไม่ทุกข์แล้ว พวัะ น, นั้นสิ่งที่จะต้องพัฒนาจะต้องเร่งเรก็เรียกว่าเร่งก่อนที่เราจะถึงวัยสุดท้ายคือแก่เจ็บตายไปเนี่ยก็ต้องมาเน้นให้ความสําคัญกับการรู้นะรู้กายรู้ใจแล้วก็ยอมรับให้ได้ว่ามันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นเช่นนั้นเองแล้วก็ก็จะคลายทุกข์ไปเรืเ่อยๆสุดท้ายเนี่ยอาจจะไม่ทุกข์เลยเรียกว่านิพพานเลยก็ได้ งั้นตอนนี้เหมือนกับโยมรู้ตัวว่าที่โยมทุกน่าจะเป็นเพราะว่าโยมเป็นคนช่างสงสัยแล้วก็ชอบพิสูจน์สิ่งที่ทุกน่าจะเป็นเรื่องของการลังเลสงสัยก็คือความทุกข์เช่นกันใช่ไหมคะใช่ใช่ แล้วเมื่อเราได้คําตอบจากสิ่งนั้นจากอพระอาจารย์ครูบาอาจารย์ที่ที่ท่านปฏิบัติมาอย่างจริงแล้วก็คือเราก็คลายทุกข์เพราะได้คําตอบที่แท้จริงใช่ไหมคะเพราะว่าด้วยกระแสะโลกที่มันหมุนวนนะคะยั่งไม่แน่ใจว่าข้อมูลอันไหนเนาะถึงจะแบบตรงแท้และแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหลวงพ่อตรงแท้แน่นอนก็คือเห็นความจริงเห็นความจริงก็คือเนี่ยคือการที่จะเห็นได้เนาะมันต้องมีหนึ่งต้องมีสติ คือเห็นสิ่งที่มันกําลังปรากฏอยู่ในในตัวเรานี่แหละเช่นพอสมมุติเรื่องโกรธก็ได้นะฮะสมมติเราพอมันโกรธปับ๊บอ่ามีสติเห็นพอมีสติเห็นเนี่ยตอนแรกมันก็อาจจะเห็นช้าหน่อยเนาะแต่พอตอนหลังมันโกรธอีกอ่ามันก็เริ่มเห็นมันมีความชํานาญมากขึ้นในการที่จะเห็นความโกรธแต่นี้คือตอนแรกเนี่ยอาจจะเห็นความความเกิดของความโกรธ แต่ต่อมามันก็จะรับรู้ได้ว่าอ๋อความโกรธนี้มันก็หายเองนะบางทีมันหายเองเลยตรงเนี้มันก็จะเป็นปัญญาว่าอ๋อความโกรธก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่มันเกิดเพราะมันมีเหตปัจจัยต่างๆทําให้มันเกิดแต่ทีนี้เมื่อเราเห็นบ่อยๆและพิจารณาบ่อยๆก็จะรู้เลยว่าแม้แม้ความโกรธเนี่ยมันก็เป็นแค่สิ่งเกิดสิ่งดับซึ่งมันเกิดเองใช่ไหมเราจะมองออกเนี่ว่าเราไม่ได้ทําให้มันเกิดนะแต่มันเกิดเอง แล้วแถมเราจะสั่งว่าอย่ากเกิดก็ไม่ได้หรือมันเกิดแล้วเนี่ยเราจะสั่งว่าให้มันดับไปเร็วๆก็ไม่ได้ตรงเนี้มันจะเกิดปัญญาขึ้นมาเลยว่าความโกรธเนี่ยเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งซึ่งเราเนี่ยไม่มีทางที่จะไปไปสั่งหรือไปจัดการกับมันพอเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วต่อมาความโกรธเกิดขึ้นอาใจมันยอมรับได้แล้วว่าก็เป็นธรรมดาก็เหมือนดวงอาทิตย์ขึ้นดวงอาทิตย์ตกนี่แหละ อ, อใจก็เลยไม่หงุดหงิดไม่โมโ oh ห ok กับความโกรธ แต่เห็นความปวดได้ว่ามันเหมือนกับดวงอาทิตย์คือเป็นสิ่งถูกรู้ไปแค่นี้ใจมันก็เริ่มเริ่มเข้าใจกับความปวดมากขึ้นแล้วก็ความหดิดความอะไรก็จัน้อยลงเรื่อยๆอาการอื่นๆก็ทํานองเดียวกันนะไม่ว่าทางป่วยทางร่างกายมันก็เกิดเองเหมือนกันแล้วก็มันก็หายเองเกิดเองหายเองก็จะเข้าใจเหมือนกันว่าอ๋อมันก็เหมือนดวงอาทิตย์อีกนั่นแหละสุดท้ายเนี่ยทุกอาการที่อยู่ในตัวเราเนี่ยทั้งหมดทั้งสิ้นเลยก็จะเข้าใจเลยว่ามันก็เป็นธรรมชาติอย่างที่ เขาเรียกว่ามันเป็นเช่นนั้นเองเนี่ยตรงนี้มันเป็นเรื่องของปัญญา เ, เพราะงั้นโยมก็ต้องมันสังเกตเนะอะไระเกิดขึ้นก็สังเกตแล้วก็เอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยไปไปประสานกันว่าอ๋อพระพุทธเจ้าหรือครูบาอาจารย์ท่านก็ บ, บอกอวิธีรู้วิธีดูวิธีวางก็คือแบบนี้รู้แล้วก็ ย, ยึดใยยยยน บางทีเราไม่มีผู้สอบหมายถึงเราเราไม่มีผู้สนทนาค่ะเราก็จะไม่รู้ได้ว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นมันเห็นชอบหรือว่าเห็นผิดตามมากระคะบางทีมันเกิดมิจฉิเอ่าเขาเรียกว่ามิจฉาสมาธิมิจฉาส ต, ติเหล่านี้ค่ะเราจะตรวจสอบอารมณ์ตัวเองได้ด้วยการมานั่งฟังธรรมกับกรารยนานมิตรอย่างดีหรือเปล่าคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะใช้เวลาอยู่กับตัวเองถ้าะส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้แลกเปลี่ยนนะคะ การลานมิตรสำคัญมากนะสำคัญมากเป็นทั้งหมดของการประพฤุทธมัจจันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถูกต้องแล้วคือต้องมีมีคารละยานามิตรมาพูดคุยกันนะแต่ก็ต้องต้องฟังไว้ก่อนเพราะว่าไม่ไม่ได้เชื่อทันทีแต่ว่าฟังแล้วก็ไปพิจารณาดูหรือว่ามันเป็นยังไงไหมมันมันถูกไหมอะไรอีกทีหนึ่งอย่างอย่างที่หลวงพ่อพูดมาทั้งหมดจะเชื่อเลยก็ไม่ได้แต่ต้องไปไปพิจนารณาไปลองทําดูแล้วก็เมื่อ ลองทําดูก็คือนะ่ยลองไปสังเกตดูแล้วมันเห็นจริงอย่างที่หลวงพ่อพูดไหมเนีนะ่ยเนาะถ้าเห็นจริงเห็นตามก็แสดงว่าอ๋อมันก็เออหลวงพ่อก็เป็นแค่ผู้บอกแล้วก็เราเป็นผู้ดูเป็นผู้ปฏิบัติก็จะเห็นเห็นจริงอย่างที่หลวงพ่อบอกแสดงว่าอันนี้มันก็ไปในทิศทางเดียวกันก็คงจะถูกแบบนี้เนาะ <ừ. S 1> ท, ที่ที่ฟังหลายครูบาอาจารย์เนี่ยฟังนี้ก็ต้องแยกด้วยนะเพราะว่าบางทีธรรมะเนี่ยมันมีหลายระดับโยมเนาะมีหลายระดับ ระดับตั้งแต่ให้ทานนุ่นรักษาศีลนุ่นแล้วก็ทําสมาธินุ่นแล้วก็ปัญญานะทีนี้เมื่อก่อนหลวงพ่อก็อยังสับสนเหมือนกันเวลาฟังบอกว่าเอ๊ะทำไมอาจารย์องนี้พูดอย่างนี้องค์ตร ง, งพูดอย่างนี้นพอมาตอนหลังรู้เลยว่า อ, อ๋อท่านพูดคนละคนละระดับกันบางทีอาจจะพูดถึงเรื่องสมาธินะเช่นสมาธิบอกว่าเออทาจิตให้ส ง, งบอยู่กับพุโทโธอยู่กับอะไรก็ได้ที่เป็นอารมณ์เดียวเพื่อไม่ให้จิตมันคุ้งซ่านเนาะ แล้วก็มันก็จะมีความส ง, งบมีความชั่แล้วก็สมมติว่าท่านสอนแต่เรื่องสมาธิเนี่ยท่านก็พูดในแนวเนี้ยตเรื่อยเรื่อยเรอยเรยแต่พอมาสายปัญญาท่านบอกว่าให้รับรู้คือให้รู้แจ้งต่ออารมณ์เนาะที่มันเกิดทางใจทางอะไรต่างๆเนี่ยให้รับรู้อะไรเกิดก็รู้อะไรก็เกิดก็รู้อย่ามาไม่ต้องไปกดไปทับอ๋อมิถันเราไม่เข้าใจเราก็บอกว่ามันสอนขัดกัน เอ้จริงจริงนะมันสอนคนละระดับกันกราบสาธุค่ะหลวงพ่อวันนี้ชี้ทางให้กระจ่างจริงๆค่ะเพราะว่าบางทีเราไม่รู้ลำดับนี้เองนะคะวันนี้ได้รับทางตอบจริงๆค่ะคืออย่างนี้ค่ะคือขออนุญาตเล่าไปถึงอดีตเมื่อสองวันก่อนที่ยังรู้สึกติดอยู่ในใจอยู่นะคะคือไปทานข้าวแล้วทีนี้ไปจอดรถข้างทางแล้วปรากฏว่าทานข้าวเสร็จปุ๊บโดนล็อกล้อมันมันมีความแบบ โมโหโมโหรุนแรงโกรธแบบโกรธแรงมากแล้วตอนนั้นน่ะก็แบบคือก็พยายามนึกถึงสตินะคะแต่นึกได้อยู่แวบเดียวแล้วมันก็ใจมันก็แบบไปโจมอยู่กับความโกรธนะคะเราก็แบบเหมือนทำให้เราแบบเรารู้สึกเราลับ กับมันไม่ได้เดี๋ยวเรารู้สึกว่าทําไมต้องเป็นเราที่โดนล็อกร้ออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนมันก็ไม่รู้ตัวก็คือจะถือใบที่โดนใบสั่งแล้วก็จะถือเงินเพื่อไปจัดการธุระให้โดนให้ให้ให้มันคลายล็อกไปติดต่อกับสถานีอะค่ะทีเนี้ยเหมือนความที่ตอนนั้นเราเราโกรธแล้วเราก็แบบไม่รู้ตัวเลยก็ทําแบงค์หล่นอีกแบงค์พันที่จะเอาไปจ่ายหล่นหายไปอีกก็โกรธตัวเองซ้ําอีกอะค่ะ ว, ว่าแบบเพราว่าเราอ่ะ ไม่มีสติเพรมัวตะโกรนแล้วก็มันเหมือนมันจมไปเลยค่ะตอนนั้นแต่สรุปสุดท้ายก็คือทางร้านเขาก็ช่วยเคลียร์ให้จนจนเราไม่ต้องจ่ายเงินละเขาเขากใ็ให้ให้ตำรวจช่วยมาปลดปลดที่ล็อกล้อให้ก็คือสรุปว่าเราไม่ได้เสียเงินเพราะเพราะว่าต้องไปจ่ายกับตำรวจแต่ว่ามันเสียเงินหนึ่งพันบาทไปเพราะเพราะว่าเราอ่ะมัวแต่สติหลุดแล้วก็ทําเงินหายอย่างเงี้ยค่ะมันก็แบบ มาโทษตัวเองมันก็แบบพยายามหาเหตุผลมากเลยว่าทําไมทําไมชั้นถึงแบบไม่มีสติเลยเราที่ฝึกมาพยายามดูมามันทําไมมันเอามาใช้กับตอนนี้ไม่ได้เลยอย่างะค่ะแต่ว่าสุดท้ายก็ผ่านไปสักสิบนาทีก็พยายามแบบดึงดึงตัวเองขึ้นมาใหม่พยายามแบบมันผ่านไปแล้วทุกอย่างมันจบไปแล้วเราพลาดกันได้เราไม่ใช่คนที่แบบ ไม่ใช่คนที่จะต้องผ่านทุกประสาทยังไงคนแล้วก็ต้องเจอความทุกข์อยู่แล้วเนี่ยสุดท้ายมันก็ก็สงบ ก, ก็เหมือนดีขึ้นนะคะก็ก็คือคูดได้คุยพูดพูดได้คุย ไ, ได้กลับมาเป็นเหมือนเดิมทีนี้ว่าหนูรู้สึกจริงแต่จริงๆคือตอนนี้มันก็ยังรู้สึกว่าเราเราเร า, เรากลัวปัญหาที่จะเป็นแบบนั้นอีกอะสมมุติว่าต่อไปข้างหน้าแล้วเราไปเจอความทุกข์ที่แบบเรารู้สึกว่ามัน รับไม่ได้แบบเนี้ค่ะเราจะต้องวางใจหรือฝึกใจยังไงให้ให้มันแบบเรารับมือกับมันได้ดีกว่าตอนนั้นนะคะหลวงพ่อจะถามความนิดหนึ่งก่อนตอนที่หลวงพ่อพูดตั้งแต่ต้นๆเนาน ะ, ะว่าจริงๆธรรมชาติเนี่ยที่มันมันมีแต่สิ่งเกิดดับมันมีแต่สิ่งเกิดแล้วก็ดับสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับซึ่งไม่มีตัวเราอยู่เลยไม่มีตัวเราที่แท้จริงกันนะ มีแค่สิ่งเกิดสิ่งดับแต่ด้วยความหลงยึดถือก็ไปยึดถือสิ่งที่เกิดสิ่งที่ดับว่าเป็นเป็นเราแม้กระทั่งตอนนี้คำถามครั้งสุดท้ายที่ถามเมื่อกี้นะก็ยังพูดถึงเรื่องตัวเราเลยว่าเราจะทำอย่างไรดีเราจะทาอย่างไรดีอันนี้ก็ยังอยู่ในความเขาเรียกว่ามันหลงลืมไปนะหลงลืมไปทีนะ่เขาเรียกว่าหลงลืมไปต่อความเป็นจริงว่าไม่มีเราพอหลงปับ๊บมันก็เป็นเราขึ้นมา โดยไม่รู้ตัวพอไม่รู้ตัวเสร็จแล้วตอนนี้มันก็มีเราเนาะะแต่ก็แล้วเราจะทํายังไงเราจะฝึกอะไรต่อไปเนี่ยตอนนี้ก็ยังมีมีหลงอยู่แต่ถ้าหลวงพ่อชี้กลับมาเลยว่าตัวที่กําลังพูดกําลังถามตัวที่กําลังวิตกกังวลเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นแค่สภาวะธรรมที่กําลังเกิดขึ้นในปัจจุบันแล้วมันเดี๋ยวมันก็ดับเดี๋ยวมันก็ดับไปถ้าเราเข้าใจตรงเนี้ยเดี๋ยวก็ความเป็นตัวเรามันก็จะหมดไปใช่ไหม พอหมดไปเสร็จแล้วเนี่ยความกังวลมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้เพราะว่าไม่มีตัวเราเป็นเป็นที่รองรับความมิตกกังวลก็หายไปความอะไรก็หายไปหมดเพราะฉะนั้นอาการต่างๆมันจะหายไปได้ก็ต่อเมื่อว่ารู้ตัวอย่างถูกต้องว่ามันมีแค่สิ่งเกินดับเท่านั้นตัวเราไม่มีอ่พอฟังอย่างนี้เสร็จแล้วเป็นยังไงความวิตกกังวลยังอยู่ไหมอ่ะคือจากที่ได้สังหลวงพ่อมาเรื่อยๆค่ะตอนแรกหนูหนูแบบ ไม่เข้าใจเลยว่าความได้มีตัวเราคืออะไรในเมื่อเรารู้สึกว่าเนี่ยเรากําลังพูดอยู่เรากํ า, ากลังทําเรากําลังพยายามทำความเข้าใจเราไปเรื่อยไปนี่แต่ว่าหลังจากได้ทํามาเรื่อยๆเราก็มันจะมีแว บ, บหนึ่งอะคะ่ะที่มันเออมันก็มันก็จริงๆมันเป็นแค่กิริยาที่ทําอะคะ่ะเหมือนกับว่าเราพูดเรามันก็เป็นแค่ตัวพูดอย่างเดียวอ่ะคะ่ะแต่อันนี้มันไม่ได้แบบ มันพยายามคิดว่าไอ้ความไม่มีเรามันเป็นแบบนี้หรือเปล่าว่ามันไม่ได้มีเรานะมันมีแต่กิริยามันมีแต่ตัวเนี้ยที่มันดําเนินไปตัวนี้ที่มันคิดที่มันรู้สึกอนุนันนี้อย่างเนี้ยค่ะเออถูกแล้วนะแบบเนี้ยให้ดูอย่างนี้แหละเนาะให้เห็นตามที่โยมเล่าพูดเมื่อกี้เนี่ยแหละใช้ได้เลยเห็นพอพออะไรเกิดก็เห็นเลยว่าเออมันเป็นแค่กิริยาเนาะ แลก็พอมันคิดใหม่นึกใหม่ก็ออกก็เห็นอีกว่ามันเป็นแค่กิริยาเนี่ยเพียงตรงนี้มากเลยนะไม่ต้องไม่ต้องใช้ความคิดเพื่อที่จะให้มันยุ่งเหยิงให้มันสับสนเพียงแต่เห็นอยู่อย่างที่โยมพูดเมื่อกี้เนี่ยดีมากเลยนะให้เห็นเป็นปัจจุบันเลยไปเนี่ย ม, ม, ม, ม, ม, ม, มันจะเห็นอยู่เห็นอยู่นอ่แล้วก็จะทําให้แจ่มแจ้งแจ่มแจ้งเลยทีเนี้ยจะไม่ไม่ไม่สับสนแล้วไม่ไม่ไม่คิดเต็มทุยเพราะว่าไม่ต้องใช้สมองคิดเห็นว่ามันเป็นแค่กิริยานะ เช่นเวลาอ้าปากจะถามก็เห็นอ่เวลาสงสัยก็เอ่อเห็นเวลามันอยากพูดอ่อเห็นเวลามันดันดันดันดันอยากจะตอบอยากจะพูดก็เห็นเห็นเห็นอย่างเงี้ยไม่ต้องใช้สมองคิดเลยใช้โดวยวิธีก็เรียกว่ามีแต่การรู้รู้ ร, รเห็นสิ่งที่กําลังปรากฏกําลังจะปรากฏด้วยบางทียังไม่ปรากฏนะแต่กําลังจะปรากฏ่ะเหมือนกับว่ามันมันกําลังจะปรากฏอย่างเงี้ยโอเคไหมโยมโอเคค่ะโอเค เดา๋ยอฝากน้องผ า, า, าอย่างหนึ่งค่ะจริงๆก็อบอกว่ า, าการเรียนรู้สิ่งที่ผิดพลาดเนี่ยนะคะมันไม่ใช่สิ่งใหม่แต่ว่าเป็นสิ่งที่เราต้องข้ามผ่านเพื่อก้าวต่อไปที่เราจะสมบูรณ์แบบมากกว่าเดิมดอกไม้ที่เราปลูกเนี่ยไม่ได้ออกดอกในวันเดียวดังนั้นทุกอย่างเนี่ยย่อมผ่านการปรุงฟักพนุถนอมดูแลดังนั้นใจของเราก็เหมือนกันก็คือความรักสิ่งดีๆบนโลกเนี่ยค่ะ ค้นหาจนพบแล้วก็ส่งต่อให้โลกนี้ไปเรื่อยๆไม่เป็นใจที่ไม่ยับยั้งความไม่ดีทั้งปวงไปงนั่นเองค่ะครับใน ม, มรดกครับหลวงพ่อ ค, ครับผมถามหน่อยพอดีผมฟังมาตัวอย่างของเพื่อนๆนะฮะแสดงว่าอย่างนี้เนี่ยไอ้ทุกข์เนี่ยมีแต่ว่าตัวเราตัวผู้ทุกข์เนี่ยไม่มีคือมีแค่ธรรมชาติสองสิ่งก็คือมีรู้ที่เป็นธรรมชาติกับธรรมชาติที่ปรากฏ ซึ่งระหว่างตรงนั้นน่ะไม่ได้มีเราเลยใช่ไหมครับคือผมฟังว่าผมใจผมมันมันบอกอย่างเงี้ยก็เลยมาคุยกับคพอก่อนนะครับเออไม่มีเราเลยผมนะไม่มีทั้งแสดงว่าถ้าเกิดตัดเราได้เนี่ยมันก็ตัดทุกไปได้เยอะเลยใช่ไหมครับก็นี่แหละคนทุกเลยแค่นี้แหละเออเนี่ยแหละที่คุยกันทุกวันเนี่ยก็เพื่อตัดนี่แหละตัดเพราะมันไม่มีเรามันมีแต่ที่ที่รวมบ้านเลยขอบคุณจร<อ>ิขอบคุณพี่อาแล้วขอบคุณคุณคุณแพรรี่นะเพราะว่าแบบสิ่งที่เกิดขึ้นกับทั้งสามท่านเนี่ยคือ มันเป็นคำถามในใจผมมาตลอดเลยแล้วพราะวันนี้ได้แบบถอยมาเป็นผู้ฟังแล้วพอหลวงพ่อชี้อะไรอย่างเงี้ยแบบคือแบบทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นเพราะมีตัวเราไงแบบไม่ว่าจะเป็นแบบเ้าเรียกอะไรอย่างนะครับของของเ น, นี้ยอ้างของของพี่อาร์นะครับผมเนี่ยประสบการณ์เดียวกันเลยโกรธเนี่ยก็นั่งดูอยู่สื่อทนแท่งอยู่แต่ไม่รู้เลยว่าตรงนั้นอ่ะมีผู้โกรดเกิดขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่รู้สุดท้า ว, ว่ามีผู้จ้องผู้เพ่งอยู่อะไรอย่างงี้นะฮะครับอขอบคุณมากเลยครับผมครับ ก็เนี่ยค่ะใช้ตรง gap เล็กๆตรงนั้นนะคะที่อยู่ระหว่างสิ่งที่คุณหนิงพูดนะคะก็อยู่แค่ตรงนั้นนะคะไม่ได้ไปอยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งด้วยก็มองว่าเนี่ยค่ะใช้ชีวิตปกติแล้วก็ดําเนินต่อไปแล้วก็พัฒนาตรงเนี้ยค่ะไปเรื่อยๆค่ะหลวพ่อพูดมาตั้งแต่วันแรกๆแล้วเนาะเกี่ยวกับเรื่องอ่าว่าธรรมชาติเนี่ยธรรมชาติควายมันมีธรรมชาติสองสองฝ่ายเนาะมีฝ่ายหนึ่งก็คือ ประเภทไฟที่เกิดแล้วดับแต่อยีกไฟหนึ่งประเภทที่ไม่เกิดเลยแล้วก็ไม่ดับแต่ทีนี้ตอนนี้ที่เรากําลังคุยเนี่ยเราก็ส่วนใหญ่ก็คือจะคุยในเรื่องประเภทที่เกิดดับทีนี้เราก็มองสังเกตดิว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีเกิดแล้วก็ดับมีเกิดแล้วก็ดับไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อ ย, อยๆที่เกิดขึ้นในจิตหรือว่าเกิดขึ้นในกายเล็กๆน้อยๆจิกๆมันก็เกิดดับหรือว่าจะเรียกว่ามันมีขนาดใหญ่นี่เป็นภาษาสมมติเนาะเช่นมันปวดมากหรือมันโมโหมากอะไรก็แล้วแต่ สุดท้ายมันก็ดับหรือว่าเหตุการณ์อย่างของโยมแพรอย่างเนี้ยเหตุการณ์ใหญ่มากเลยมีคนเกี่ยวข้องตั้งหลายคนเนาะมีทั้งตํารวจมีทั้งร้านค้ามีทั้งรถยนต์มีทั้งเรามันเคยเกิดในนี้เขาเรียกว่าเคยเกิดมาแล้วแต่ตอนนี้เป็นไงไม่มีตอนนี้ไม่มีนี่แสดงว่าเหตุการณ์ใหญ่ๆที่มันเกิดขึ้นมันก็ดับทีนี้นปัญญาเนี่ยปัญญาที่จะสู่ความพ้นทุกข์ก็คื อ, อยังไงก็ให้เห็นว่ามันมีแต่สิ่งเกิดสิ่งดับมันไม่มีเราในสิ่งนั้นเลย เราความเป็นตัวตนไม่มีมีแค่สิ่งเกิดสิ่งดับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียนรู้ก็คือเรียนรู้จากประสบการณ์ที่มันสอนเราว่าอะไรที่มันเกิดแล้วก็จะได้รู้ว่า อ, อ๋าอสิ่งนั้นเคยเกิดแล้วก็ดับแล้วอันนี้เคยเกิดเอาก็ดับแล้วแล้วก็จะเห็น vào, oh, ความเกิดดับของมันอยู่ล่ําปอยว่าจะเห็นเลยว่าเมื่อมันเหตุการณ์มันผ่านไปแล้วเนาะจะเห็นเลยว่าอ๋อในความเกิดดับนั้นมันไม่มีเราเลยนะมันมีไอ lips, แต่อันั่นแหละมีแต่อันนั่นแหละใช่อืม ทีนี้พอเป็นอย่างนี้ปั๊บกลับมามองในปัจจุบันเลยว่าแล้วไอ้ที่นั่งพูดนั่งคุยล่ะมันคืออะไรก็เนี่ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวพูดเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวพูดเดี๋ยวหยุดมันก็เกิดดับถ้าดูที่ปากนะสมมติอ้าเดี๋ยวปากเดี๋ยวขยับเดี๋ยวก็หยุดเดี๋ยวก็ขยับเอ้ามันก็เป็นสิ่งเกิดดับจะดูลมหายใจหรือเอ้าเดี๋ยวมันก็หายใจเข้าเดี๋ยวมันก็จะหายใจออกมันก็มีเศษสิ่งเกิดดับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกกิริยาอาการล้วนแต่เป็นสิ่งเกิดดับมันไม่มีเเราอยยู่ในนนั้ล ถ้าเข้าใจถูกอย่างเนี้ยเหมือนโยมหนึ่งว่าเนี่ยอ๋อปฏิบัติที่แท้เนี่ยคือเห็นถูกต้องว่ามันไม่มีเรานี่ไงถ้ามันไม่มีเราแค่นี้แล้วก็คือคือจบนะเนี่ยที่คุยกันทั้งหมดทั้งสิ้นก็เพื่อให้เข้าใจว่ามันมีแต่สิ่งเกิดดับแล้วไม่มีเราเพราะงั้นก็เนี่ยให้ไปเจริญมากๆเนาะไปสังเกตมากๆ ม, ม, มันก็จะทําให้เกิดปัญญารู้แจ้งได้เองเป็นปัจจตังคนอื่นปฏิบัติแทนเราก็ไม่ได้วันนี้ <c oughs> คุณหลวงพ่อก็ได้แต่มา เป็นผู้ชี้ทางออกบอกทางให้เนะาะค่ะสาธุค่ะหลวงพ่อค่ะจับนมัชการค่ะ